ฝนก็ตกพอสมควรลูกหลานเนี่ยคิดว่ามันจะหยุดแล้วมันยังตกอยู่การนับว่า ด, ดีจะได้น้ำเพิ่มเติมเข้ามาแต่ว่าปีนี้รู้สึกว่าฝนไม่ดีเลยนะลูกหลานนะฝนน้อยน้ำในคลองหน้าวัดน่ไม่ถึงครึ่งคลองเลย วันนี้เป็นวันที่เจ็ดตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเมื่อวานคณะโรงพยาบาลศูนย์อุดรและคณะผู้ขายเครื่องมือแพทย์ของบริษัทโอลมิมปัส้อตกลงกันแล้วนะเมื่อวาน ทางโรงพยาบาลศูนย์อุรานคณะแพทย์และพยาบาลกลุ่มที่ได้ตกลงว่าแต่หลวงพ่อให้โอกาสว่าจะเอาอะไรก็ได้ทีแรกหลวงพ่อจะซื้อเครื่องมือแพทย์ผ่าตัดด้วยความถี่สูงอย่างโรงพยาบาลศรีนครินหรือโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นหรือโรงพยาบาลชุมแพราคาก็เนี่ยแต่ของชุมแพเนี่ต่างบริษัทกันนะ บริษัทอะไรจอรนสั้นหรืออะไรนะ่แต่บริษัทของศีนครินกับศูนย์ขอนแก่นเป็นบริษัทอุเลมปัตแต่หลวงพ่อก็ให้ทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรจะเลือกเอาอะไรก็ได้ตามที่ความตามเหมาะสมตามที่ต้องการแต่ในอยู่ในวงเงินล้านเจ็ด แต่จะซื้อเครื่องมือตัวใหญ่กว่านั้นก็ได้แต่โรงพยาบาลต้องหาทุนให้ตรงหาทุนแล้วก็อันนี้สมครบเข้าไปในล้านเจ็ดหลวงพ่อใ ห, ใ, หให้งบให้ล้านเจ็ดเพรหลวงพ่อได้จะกตกปัจจัยมาจากจัตไายาโยอมทางผู้การวุ่นจืบเจ้ากรมทหารอากาศที่ท่านเกษียณท่านทําบุญมอบให้หลวงพอล้านหก แล้วก็เสียต้มตลงสีนุคอนนายกมอบให้อีกเพื่อจะให้ถึงล้านเจ็ดหนึ่งแสนก็เป็นอนว่าหลวงพ่อก็พร้อมที่จะให้แต่พอเมื่อวานเขาก็เลยตกลงันเขาต้องการเครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องอุลิมปัต ส, สองกล้องแต่เข้าก่อนทำไมมันแพงนะ หลวงพ่อซื้อให้กับโรงพยาบาลศูนย์คอนแ ก, นก่นอุดอรเนะ่ะถ้าจำไม่ผิดคอนแก่นสามล้านกว่าสามล้านสามหรืออะไรนะแต่อุดอรเนะี่ยสองล้านเก้าแต่คราวนี้ทำไมเครื่องมันคล้ายๆกันนะหลวงพ่อว่านะโอลิมปัตเหมือนกันแต่ล้านเกตแต่มีสองสายต่างหากสายแยงทางทวารหนักแลวกส็สายแยงทางปาก มันมีอยู่สองสายในเครื่องตัวนี้เนีย่ยหาแมาลงในลําไส้หลวงพ่อเห็นเนออก็เป็นเครื่องที่แต่เขาก็บอกว่าเขาขายให้หลวงพ่อถูกทางโรงพยาบาลเขาต่อรองได้ก็บอกว่าเอา้าเป็นพิเศษสําหรับหลวงพอ่อหลวงพ่อก็บอกอืมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุไรเพราะหลวงพ่อเนี่ยจนเนี่ย ได้รับเงินบริจาคมาแล้วก็ขึ้นว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนต่อลูกต่อหลานต่อคนในชาติพอจ่ายเงินมาลุงพ่อกระจายสดไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็จ่ายสดจ่ายด่วนด้วยไม่มีให้ทางบริษัทเลย แต่บริษัทเขาก็บอกว่าเมื่อวานเชียวเขาก็บอกลุงพ่อบอกเออนาเชียวนะถ้าว่าขายให้กับทางโรงพยาบาลที่เขารวยๆยังคอยขายราคาแพงก็ได้นะลงพ่อในี่จนนะแล้วก็เป็นเงินบริจาคได้จากพี่น้องประชาชนเก็บหอมรอมริบอย ก, ก็มาซื้อเครื่องมือแพทย์แต่เพื่อจะให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อพี่น้องประชาชน อถ้าจะเอาเอาที่ที่อื่นก็ได้แต่ดูๆแล้วเครื่องมือแพทย์เนี่ยหลวงพ่อยังมาพิจารณาอีกเหมือนกันนะมันแพงตามความเป็นจริงแล้วมันแพงเพื่ออ <c oughs> ปั่นราคาหรืออะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันนะหลวงพ่อเองอยากจะให้ถ้าเป็นไปได้่รัฐบาลชุดนี้แหละท่านประยุทธ์เนี่ยทําตาเละๆดูสักหน่อยก็ดีเหมือนกันหนะ้หลวงพ่อว่านะเครื่องมือแพทย์ตัว น, นี้มันเป็นตาม เป็นจริงหรือเปล่าเพราะราคามันแพงแล้วเกินแต่แต่ละเครื่องมือแต่แต่ละเครื่องแต่เมื่อวานก็ได้มอบไปแล้วให้กับโรงพยาบาลสุอุรอ น, นี่แหละสรุปแล้วก็คือวัดวาศาสนาที่หลวงพ่อพูดกล่าวให้กับคณะทัทธายญาติโยมได้ฟังวัดวาศาสนาไม่ได้ทอดทิ้งชุมชนสังคม แต่ว่าพอที่จะเกิดประโยชน์ได้หลวงพ่อก็จะช่วยอย่างที่ลเมื่อกี้เมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็มีโยมท่านด็อกเตอร์จากกรุงเทพท่านจะมอบอาคารเรียนจะสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนหลวงพ่อก็ได้ไปเซ็นสัญญาที่อำเภอเพ่นราคาสีล้านกว่าบาทอาคารสีชั้น อาคารสองชั้นชั้นละสี่ห้องเรียนชั้นบนสี่ข้างล่างสี่รวมแล้วเป็นแปดห้องเรียนเป็นเงินสี่ล้านกว่าบาทอันนี้ก็เซ็นสัญญาแล้วผู้รับเหมาเขาก็บอกว่าจะใช้เวลา6กเดือนหลวงพ่อแต่ไม่ให้เกินแปดเดือนอืมเอาอันนี้ก็คืออาคารเรียนแต่หลวงพ่อเองก็อย่างที่เคยเล่าเคยพูดให้กับคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานฟัง ตรงโรงพยาบาลหนึ่งโรงเรียนหนสาธารณประโยชน์จุดไหนที่พอที่จะช่วยเหลือชุมชนสังคมได้หลวงพ่อไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้ปล่อยปะละเลยถ้าหากมีศรัทธาญาติโยมเข้ามาหาอย่างเมื่อ ว, วานก็นมีผู้แสดงความจำงว่าก็ามาคราวคราวก่อนนะว่าอยากจะได้ท่านอาจารย์อยากจะได้อะไรหลวงพ่อก็บอกไปทางโรงพยาบาลสูง ทางโรงพยาบาลสูงขโมยอยากจะได้เครื่องอุ่นตะซาวหัวใจอยากจะดูเส้นเลือดท่านก็มาสืบสอบดูแล้วราคาราคาสองล้านห้าสอง้านห้าท่าบอกผมสั่งซื้อแล้วนะหลวงพ่อให้บริษัทกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพเพราะเขาเป็นโรงพย า, าพยาบาลใหญ่ให้เขาเป็นคนซื้อ ในกลุ่มของเขาคงจะได้ถูกลงแต่ถ้าได้แล้วผมจะมามอบที่วัดหลวงพ่อนี่แหละอืมก็ดีอันนี้ก็คือหลวงพ่อได้ผู้จะเป็นผู้ใดก็าตามที่มาเกี่ยวข้องผู้มีอันจะกินพูดง่ายๆไม่เดือดร้อนคล้ายๆกับว่าอยากจะช่วยเหลือชุมชนสังคมอยู่แต่ไม่รู้จะช่วยที่ตรงไหนหลวงพ่อเอ อ, อ, อมา หลวงพ่อจะเป็นสะพานบุญให้ใครเขาว่าคือหลวงพ่อไม่ได้แตะได้ต้องอะะพวกท่านทั้งหลายเป็นคนจ่ายเองบริษัทประสานเองเปลี่ยงแต่ว่าจุดไหนมีความจําเป็นในชุมชนสังคมมีความจําเป็นในจุดนั้นๆใครๆว่าเหมือนกับคนหิวเมื่อนคนหิวเราก็ต้องเอาอาหารใส่เข้าไปให้เขาได้กินมันจะเกิดประโยชน์ แต่เขาอิ่มอยู่แล้วเราก็เขายัดอาหารเข้าไปมันก็เห็นอาหารก็อย่างนั้นอย่างนั้นหละถึงจะอาหารดีขนาดไหนก็อย่างนั้นแหละเพราะเหตุอะไรเพราะมันอิ่มแล้วเนี่ยเราอยากจะให้ในที่เขาหิวจุดที่เขาหิวให้มันเกิดประโยชน์แต่หลวงพ่อก็ได้พูดหลวงพ่อก็ได้นํามาพูดให้กับพี่น้องประชาชนพวกชาวกหาหะบดีทั้งหลายผู้ทิ้ง อมีอันจะกินไม่เดือดร้อนหลวงพ่อไปพูดที่โรงเรียนอุดรพิษเมื่อไม่นานมาเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าพี่น้องชาวอุดรขะหาบ่ดีทั้งหลายผู้ที่มีอันจะกินอไม่ถึงกร่ํารวยคําว่ารวยมากมันคงจะไม่มีใครพูดอย่างนั้นเพอาะโลกนี้มันเมืองพอไม่มีอยู่แล้วกันรู้กันอยู่แล้วว่าแบบเมืองพอคนะําว่าพอนะ่ มันไม่มีมิแต่หิวอยู่เอมากขนาดไหนก็ยังหิวอยู่เพราะอะไรเพราะความอยากตัวนี้แต่ทึกยังไงก็ต่างแต่ให้ทุกคนคิดย้อนหลังดูจะว่าดูตัวเองว่าะข้าพเจ้าทํามาค้าขายมาถึงจุดนี้ขนาดนี้แหละล่ํารวยขึ้นมาขนาดนี้แหลมีอยู่มีกินเอใครเขาว่าเป็นแนวหน้าของชุมชนถึงจะเป็นไม่เป็นแนวหน้าของประเทศก็เป็นแนวหน้าของชุมชนอยู่ในอุดร แต่ว่าข้าพเจ้าอค้าขายมาเนี่ยเงินทุกบาททุกสตังค์อาจจะไม่บริสุทธิ์ออาจจะมีบางอบางเรื่องอาจจะแสลปไปบ้างอาจจะโกงไปบ้างเอออาจจะพูดแบบเบียดบางบ้างเพื่อการเพื่อการทํามาค้าขายจนได้รวยถึงมาขึ้นมาอย่างนี้แหละแต่บัดนี้ข้าพเจ้าตั้งตัวได้แล้ว มีพอเป็นไปได้ถึงจะไม่รวยล้นฟ้าแต่ก็เป็นไปได้เราก็ควรจะให้ควรจะคลายคลายบางส่วนหรือว่าในร้อยบาทอาจจะคลายออกบาทสองบาทให้กับชุมชนสังค ม, งมเพื่อเป็นการทายบาปข อ, องตนเองที่ทำที่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่มันไม่ดีนั่นแะ หลวงพ่อว่ามันคือจะเป็นบุญเป็นกุศลนะคณะสัตยาติโยมถ่ายออกไปให้สูช่ชุมชนสังคมต่อโรงพยาบาลบ้างโรงเรียนบ้างสาธารณประโยชน์จะเป็นสร้างถนนหนทางสร้างวัดวาศาสนาอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเป็นการถ่ายในสิ่งที่มันไม่ดีออกจากตัวเองที่ตนเองได้ทําไว้แต่ถ้าว่าไม่มีการถ่ายเจริญมันหนักนฮะ มันหนักนะหลวงพ่อเขาพูดอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นแนวความคิดส่วนหนึ่งสำหรับให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมลูกหลานที่คนในชาติที่นับถือ พ, พุทธศาสนานับถือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะแต่ถึงยังไงก็ตามพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดพวกเราเกิดมาได้พบ พ, พุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะได้พบแนวทางปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านแนะนาสั่งสอนให้พวกเราท่านเน้นย้าอยู่เสมอว่าให้สร้างบุญกุศลอย่าตั้งอยู่ในความประมาทพอเกิดมาแล้วพวกเราจะอยู่ไม่อยู่นานไม่ใหญ่ไม่ใช่อยู่จะอยู่โชวฟ้าดินสลายตายไม่เป็นไม่ใช่ตายทุกคน แต่ไม่ทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่ได้ย้าว่าเอาความตายมาขู่พวกเร า, เาขู่แล้วขู่เล่าไม่ใช่เพียงแต่ชี้ประเด็นให้ดูถ้าว่าไม่ชี้ประเด็นให้ดูพวกเราจะลืมตัวได้ง่ายเหมือนกับลิงลิงกระโดดหน้ากระโดดหลังหญิงเขียวจะกัดคนบ้างาแล้วก็เจ้าของก็จับไม้เกลียวมาเอาเคาะใส่กระดานปักปักปัก เออลียงก็สยบลงหลวงพ่อก็ลักษณะอย่างนั้น่หละทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่ถ้าพวกเราลืมตัวจนเกินไปกินเหล้าเมายาสเเัมเทธเทเมาคิดว่าตัวเองจะไม่ตายหลวงพ่อกขาเอาคําเอาคํำทำคําสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดให้ฟังสักครั้งหนึ่งเหมือนกับเจ้าของเอาไม้เหลียวเคาะกับพื้นกระดานอย่างนั้นอ่ะเเคาะปักปักปั ก, ป ก, ปกพอเลีงได้ยินก็จะดุ้งขึ้นมาหน่อยหนึ่ง คลายๆว่ากลับตัวกลับใจได้ท่านลิงตัวไหนเอเป็นผู้มีนิสัยดีสำนึกสำเนียดได้มันก็อยู่อยู่ได้นานนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราไม่ได้ยินว่าตัวเองตายไม่เป็นมันจะลืมตัวนะลูกหลานคณะสัตยาญาติโยมถ้าคิดว่าเออข้าพเจ้าต้องตายแต่ข้าพเจ้ามีคุณงามความดีในจิตใจหรื อ, อยังเรามีคุณงามความดีอะไรอยู่ในจิตใจของเราหรื อ, อยัง ถ้าเรายัางไม่มีเราก็ไม่ควรจะชลาใจนะควรจะปรับปรุงสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจใประกอบคุณงามความดีมการทำคุณงามความดีไม่ใช่ว่าจะให้ทานอย่างเดียวนะรักษาศีลก็ใช่ภาวนาก็ใช่ไหว้พระสวดมนต์ก็ใช่มีมากมายที่เราจะทำคุณงามทาความดีในชุมชนและสังคมเข้าสู่จิตใจของตนเองเรานั่งภาวนาพุทโธพุทโธยางไ ทาจิตให้สงบให้ทานรักษาศีลอย่างร้อยครั้งร้อยครั้งยังสู้นั่งภาวนาจิตส ง, สงบครั้งหนึ่งไม่ได้ะอันนี้อันนี้สูงมากสาหรับผู้ที่ปฏิบัติมีใช่จะให้ทานอย่างเดียวนะออพอให้พูดเอาทําคุณสร้างบุญสร้างกุศล น, นะพวกเราก็มาคิดถึงว่าโอ้หลวงพ่อมีแต่แนะนาอยากจะให้ทานนะเนี่ยตัวเองจะได้รับทานไม่ใช่ เอให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลครั้งหนึ่งไม่ได้รักษาศีลร้อยครั้งสู้นั่งภาวนาจิตสงบครั้งหนึ่งไม่ได้อันนี้สงภาวนาจิตสงบครั้งหนึ่งมากกว่ารักษาศีลบริสุทธิ์มากกว่าให้ทานตั้งร้อยครั้งนี่แหละอันนี้ก็คือการประกอบคุณงามความดีในพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าได้ถือว่า มีจากการประกอบคุณงามความดีนั้นควรจะให้ภาวนาเนะี่ยสำคัญแต่ไม่อย่างนั้นก็ควรจะรักษาศินสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นศินรักษากายวาจาของตนเองนั่นแหละเป็นคุณงามความดีเกิดมาในชุ ม, ช, มชนกลุ่มใดก็ตามถ้าเรามีสินจะแล้วชุมชนกลุ่มนั้นไม่เดือดร้อนนะถ้าว่าทุกคนขาดสินสักอย่างเดียวไม่มีศินห้า คิดจะฆ่าใครก็ฆ่าขโมยใครก็ขโมยละหลาบละล่วงในสามีภรรยาของใครโกหกต้มตุนหลอกลวงคนกินเหล้าสุรากัญชา ย, ยาวฝิ่นยาเสพติดทั้งหลายทำไปหมดอันนี้ก็ททำให้เดือดร้อนในชุมชนสังคมพวกเราคิดดูนะหลวงพ่อยังบอกว่าพวกเราท่านทั้งหลายให้ไปถามดูเรือนจำ คุกเมืองอุดรคุกที่ไหนๆก็ถามไปถามคนคุมดูเออคนที่เข้ามาคุกเนี่ยเขาทำผิดอะไรในเมื่อเขาถามเมื่อเรารู้ว่าเขาทำความผิดแล้วเราเอามาวิเคราะห์ดูจะไหมเอ่อวิเคราะห์ดีที่จดจดกระดาษคนนั่นทำผิดนี้คนนี้ทำผิดอันนั้นที่ติดคุกมาเนี่ยแต่เรามาวิเคราะห์ดูดสิทุกคนมันผิดศีลห้าทั้งหมดสรุปแล้ว มันผิดศีลห้าของพระพุทธเจ้าใครทำํำไม่เคารพในศีลห้าทำล่วงเกินศีลท้าทำผิดศีลห้าเขาก็เลยจับไปขังคุกสรุปแล้วก็คือคนที่ทําผิดศีลห้านะั่นนะเขาเอาไปขังคุกไว้เพราะเหตุไรเพราะทําผิดศีลผิดศีลห้าเพราะฉนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายศีลห้านะเป็นศีลคุ้มครองโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นฉุกท่วนหน้ากันเพราะฉะนั้นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้นำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราท่านทางนาั้นได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นนำมาประพฤติปฏิบัติล้วนแล้วแต่เป็นคุณงามความดีทั้งนั้นแล้วก็ท่านย้ามีว่าตายแล้วไม่สูญจุดนี้อีกจุดหนึ่งเถอะพวกเราก็เกิดมาแล้วตายแล้วไม่รู้หายไปไหนมันหายไปไหนก็ตายใช่ร่างกายมันหายตายไปจริง แต่จิตใจคือนม า, ามธรรมตัวผู้รู้ๆน่ะมันจะไม่หายไปไหนนะแอมมันจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารออกจากนี่ไปอพอถ้าว่าตายไปแล้วยังเป็นห่วงบ้านห่วงเรือนกับเป็นผีแหมเป็นผีเป็นเปรตทำบาป บ, บาปกรรมยังไม่มากถ้าบาปกรรมรากตกนรกอ่าแหมอันนี้ทําไมรู้ได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านรู้ไปศึกษาเพราะพระพุทธเจ้าไปศึกษาเรื่องนี้ละ่ะ เรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเรื่องใจเนะี่ยที่ออกจากเวียงวังไปศึกษาชั้งหกปีอยู่ไปบำเพ็ญอยู่ในป่าหกปีตามลำพังที่คืนได้ตัดรู้นะ่ะวันที่ได้ตัดรู้นะ่ะเดินวันวันเดือนหกเพนอนะท่านได้นั่งสมาธิทำพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบเกิดญาณธัตนะนเกิดฌาน พระองค์ระลึกชาติทุนหลังได้นะปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติทุนหลังได้นี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธญาณระลึกชาติทุนหลังจะได้ว่าชาติที่แล้วมีท่านก็มองดูจนเป็นชาดกเป็นเรื่องราวขึ้นมาว่าเกิดมาแล้วไม่ตายตายแล้วไม่สูญนะคณะสัทธายาโจรลูกหลานแต่นี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงตามหาบัวที่พระธุหล์กรรมฐานสายหลวงปู่มั่น เ อ, อเมื่อได้เยินทำคําสอนของพระพุทธเจา้าแล้วนํามาปฏิบัตินั่งสมาธิอย่างที่ว่าเหลวงพ่อนี่ก็เถิดนะหลวงพ่อก็เดยนํยนำทำคําสอนของครูบาอาจารย์มาปฏิบัตินั่งขจมาธิจิตใจสงบลงไปเท่านั้นรู้ได้โดยตนเองนี่แหละพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญนะให้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง เมื่อจิตใจรวมสงบลงไปแล้วเนี่ยหลวงพ่อบอกได้เลยว่าร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจของคนเราเนี่ยเหมือนโซเฟอร์โซเฟอร์รถนะโซเฟอร์รถกับรถเห็นได้ชัดแต่รถเนี่ยมันแก่แล้ววิ่งไปวิ่งไปแล้วสิบปีขึ้นไปแล้วกันนะโคกโครงเคลงเนี่ยผลในจุดตรกอนเขาก็เอาไปทิ้งในป่าเป็นป่าช้ารถแต่ทุกวันนี้เขาเอาไปขายหมด เป็นดีใช้ทั้งหมดเลยเออเอาไปอาไหลของมันเอาไปขายแต่สกอนไม่ไม่มีราคาไปทิ้งไว้ป่าชา้าย่าหุ่มไปหมดเพราะอะไรพอรถมันตายรถมันแก่นี้ก็เหมือนการร่างกายของเราเนี่ยพอใช้ใช้ไปแล้วกันหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบปีเก้าสิบปีถึงร้อยปีร้อยหย่อนร้อยปีไนดะ้แปว่าทบพลภาพเต็มทน ถ้าร้อยกว่าปีขึ้นไปแล้วแปลว่าอยู่ในวัยชราอย่างมากมอกช่วยตนเองไม่ได้แล้วไปหมดสภาพแล้วถึงจะอายุยืนก็จะร้อยกว่าปีแล้วหมดสภาพเพราะฉะนั้นในเมื่อทผลสุดมันก็ะตรงถึงจุดจบอีกเหมือนกันเร่าง ร, ร่างกายแต่ส่วนนมามธรรมคือจิตใจออกจากร่างนะทีนี่โซเฟอร์ออกจากร่างออกจากรถนะอไม่ใช่ว่าเอตายแล้วรถมันเก่าพราแล้ว เอาไปไว้ในพงหญ้าจะไปมุดเฝ้ารถอยู่คันนั้นอยู่มันไม่ใช่ต้องหนีออกจากรถเ่ี่ยการหนีออกจากรถเ น, นี่ยหนีด้วยวิธีการอย่างไรถ้าบอกพวกเรามีทุนนะครับมีเงินมีเงินก็คืออะไรคือสร้างบุญสร้างกุศลผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลออกจากรถคันนี้แล้วมีเงินในกระเป๋าไปซื้อรถคันใหม่อีกเพราะเหอะไรเพราะมีบุญทางคนไม่มีบุญออกจากรถคันนี้นไปแล้วคนนั้น ทุกข์กระามลำบากเพราะไม่มีเงินเพราะไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าตายแล้วเกิดไม่เคยสั่งสมบุญกุศล ส, สิ่งไหนที่มันชั่วขนเข้ามาหาตัวเองทั้งหมดเพราะคนไม่เชื่ออันไหนที่มันเลวที่คนอื่นเขาทำไม่ได้ตัวเองทำได้ทั้งหมดเพราะะเพราะตัวเองไม่เชื่อว่าตายแล้วศูนอีกต่างหากแต่มันไม่ศนะูนยะนั่นเอแล้วคนประเภทอย่างนั้นออกจากรถเราจะไปที่ไหน ไม่มีที่ไปก็ไปหาเกิดเป็นช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่เป็นสัตว์ที่ทะชานนกหนูปูปีกไปได้ทั้งนั้นดวงวิญญาณดวงนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนั้นบอกอย่างนั้นเพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะศึกษานะในเรื่องนี้นะให้พวกเราศึกษาแต่หลวงพ่อโพูดให้ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นกายอย่าเพิ่งเชื่อนะให้ศึกษาก่อนให้นํามา ป, ปฏิบัติ ด, ดูก่อนเนะพราะว่าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้พูดอะไร ด้วยศรัทธาและเชื่อทั้งหมดไม่ใช่นั่ขนาดพระลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะแท้ยังยังปฏิเสธยังปฏิเสธพระพุทธเจ้าอย่างภาษาลิบุตรเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกดูก่อนสาริบุตรที่เราตถาคตตรัสไปนี้พูดไปนี้ท่านเชื่อไหมภาษาริบุตรกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าอย่างก่อนพระเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้ว ข้าพระ อ, องค์จะกราบทูลเมื่อภายหลังพระเจ้าข่าเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันที่หลวงพ่อพูดว่าพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญให้นั่งภาวนานะเอาจริงเอาจังนั่งภาวนากําหนดลมหายใจเข้าพดหายใจออกโทพุดโทพดโทนั่งในที่สงบเอหลีกเล้นอยู่ในที่สงบไม่ให้มีเสียงอะไรทั้งหมดในช่วงนั้นนั่งดูใจของตอนเองใจของเราจะสงบพอใจของเราสงบเท่านั้นละ่ะ เราจะรู้ได้อย่างที่หลวงพ่อพูดไม่เป็นอย่างอื่นเลยร่างกายเหมือนกับรถใจเหมือนกับคนขับรถรู้ได้ด้วยตนเองในร่างกายของเราคนเราที่นั่งอยู่ด้วยกันที่นั่งอยู่เดี๋ยวเนี่ยทุกคนมีรูปประทกับ น, นามธรรมรูปประทามคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจคือโซเฟอร์เนี่ยแหละในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสาคัญโซเฟอร์มากกว่ารถนะ อโซเฟอร์มากกว่ารถในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมโนโปุพังนเรื่องทั้งหลายมีใจมีเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้านะเพราะนั้นให้พวกเราทัานทั้งหลายอย่าทํำสิ่งสิ่งที่มันไม่ดีเอสิ่งที่มันไม่ดีไม่ดีรู้ไหมไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีคือ ส, สินห่างถ้าใครล่วงละเมิดสินห่าเขาเอาไปขังคุกเอาไปติดตารางไว้ไปขังไว้คนไม่ดีนะเ e. มื่อทํำกรรมไม่ดีไว้ กรรมไม่ดีจะตามสนองอกรรมชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำลงไปแล้วกรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับพวกเราคณะทา ญ, ญาิโยมทุกๆุกท่านน ะ, ะวันนี้ผ็พี่น้องชาวอินโดนีเซียมาพักที่วัดของหลวงพอ่อหลายคนเหมือนกันนะแต่หลวงพ่อก็ยังไม่ได้ทักทายถามถ่ายดูว่าไปยังไงมายังไง ก็มาถึงค่านะหลวงพ่อก็มีแขกมากเมื่อวานแขกขนเขามาเกี่ยวข้องตอนเช้าถ้ามีโอกาสก็คงจะได้พูดคุยกันถามไถยว่าไปยังไงมายังไงพี่น้องชาวอินโดข้ามน้ำข้ามเทะเลมามาบําเพ็ญตามวัดต่างๆเพื่อเป็นสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยพี่น้องชาวขนาดชาวต่างชาติก็ยังมาเกี่ยวข้องนะถูกหลานชาติไทยของเรา เอาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตีห น, น้านะ